สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทหารคุณชอบเล่าวันนี้ผมมีประวัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับพญานาคราชและพญานาคีนีมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังเพิ่มเติมครับซึ่งทั้งหมดมี13พระองค์เริ่มตั้งแต่องค์ที่หนึ่งองค์พญาวิรู ป, ปักเขมหานาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาองค์พญาวิรูล ป, ปักเขมหานาคราชเจ้าวิสุทธเทวานี้เป็นหนึ่งในเทวดาจาตุโลกบาล อยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกามีเขตปกครองด้านทิ่ตะวันตกของสวรรค์เป็นจอมทัพแห่งพญานาคทั้งปวงน่าจะเป็นเทพทางสายพุทธศาสนาพระสวรรค์ชั้นนี้เป็นคติในศาสนาพุทธจากสวรรค์ทั้งหกชั้นมีพระวรากายสีทองพระนาพีสีทองและพระเสียงสีทองพระนาพีนี่หมายถึงท้องนะครับกล่าคือสีทองทั้งพระองค์อยู่ในตระกูลวิรูปกขะ แต่ดวงเนสสีขาวอมฟ้าเหมือนตามนุษย์ด้วยเหตุที่ท่านเป็นเทวดาแปลงสามารถแผงเสียงได้ถึงเกเสียงหรือมากกว่านั้นเมื่อท่านเสด็จมาประพาสณบาดาลมักจะมาประทับอยู่กับพระมราชัยาคือองค์นางพญานพปเกตนาคินีวิสุทธิเทวีองค์นางพญา น, นปรปเกตนาคินีวิสุทธิเทวีนี้เป็นพญานาคินีที่อยู่ในตระกูลชัพพยาปุตตะมีพระวรากายเป็นสีเงินยวง ปล้องพระนาภีและประสียนเป็นสีทองเป็นพระวราราชาขององค์ท้าวิรุณปักเขมหาหนาราเจ้าวิสุทธิเทวาเป็นพระธิดาขององค์ฤษีพกกัสยประเทศบิดรและยังเป็นพระพี่นางขององค์เจ้าราชธนบดีศรีสัตนนาคเป็นนางพญานาคีนีที่มีพระสิริโสภามากงดงามอย่างประเสริฐและสามารถถวายเสียได้ถึงเก้าเสียเช่นกันองค์ที่สอง องอินทรานาคราชหรือองค์อินคำไหลเป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกูลฉัพยาปุตตะมีพระวรากายเป็นสีเงินยวงทั้งองค์ป้องพระนาพีและพระเศียนก็เป็นสีเงินยวงเช่นกันสามารถแผ่พระเสียรได้เก้าเสียรเช่นกันมีดวงพระเนศสีฟ้าเหมือนตามนุษย์เชื่อกันว่าพระองค์มักจะจำศีลที่ถ้ำเพียงดินวัดถ้ำศรีมงคลอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอยู่เป็นประจํา โดยเฉพาะในช่วงวันเข้าพรรษาและที่สำคัญมีเพชย์ยาที่เป็นนางพญานาคินีคือนางพญาศีสุนันทาแก้วเกสรานาคินีถือว่าเป็นพญานาคราชที่เป็นภาคหนึ่งของเท้าสักกเทวราชหรือองค์อมรินพระอินนั่นเองที่คนไทยรู้จักกันดีตามคติในความเชื่อของศาสนาพุทธเป็นองค์เทวราปกครองสวรรค์ชั้นดาวดุมในบรรดาสวรรค์ทั้งหกชั้น นับว่าเป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสนาพุทธและในพุทธประวัติก็มักจะกล่าวถึงองค์ท่านอยู่บ่อยๆด้วยตามเหตุการณ์สำคัญพระอินมีมเหสีอยู่สี่พระองค์ได้แก่พระนางสุธรรมมาพระนางสุจิตราพระนางสุนันทาและพระนางสุชาดาซึ่งองค์ที่สามนี้เมื่อพระอินจำแงแปลงองค์มาเป็นพญานาคพระนางสุนันทาก็จะจำ แ, แปลงตามลงมาด้วยเสมอเสมอ ในบรรดาพระมเหสีทั้งสีพระองค์องค์ที่ตามขึ้นไปสวยบุญบนสวรรค์ชั้นดาวดึงช้าที่สุดก็คือพระนางสุชาดาเนื่องจากต้องบําเพ็ญเพี ย, พยแรแลาเป็นนกกระยางขาวเสกอนเพราะในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์นางทําบุญทําทานไม่เท่ากับบรรดาอีกสามองค์ผู้เฒ่าผู้แก่จะรู้จักเรื่องราวของนางนกกระยางขาวเป็นอย่างดีมีการนํามาเป็นหมอลำํลำลําเรื่องต่อกรหรือประยุกต์ใช้เทศไหลายอีสาน สอนคอนรู้จักการทำบุญทำทานได้อย่างดีองค์ที่สองค์พญานาคาธิบุรีสีสุดโทวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกูลเอราปัถะพระองค์มีพระวรากายเป็นสีเขียวเข้มปล้องพระนาพีและพระเศียรเป็นสีทองเป็นพญานาคราชประจำองค์เท้าส ก, กะเทวราชหรือพระอินท์นั่นเองซึ่งเป็นผ้ารดของพญานาโคสิรินาคราชกับนางพญาศีนคราบาดาล หรือแม่ย่าสีเมืองผู้ปกครองพญานาคฝั่งประเทศไทยทั้งหมดโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานเกือบทั้งหมดเวียงวังอยู่ที่คำชนโนดหรือวังนาคินซึ่งเป็นที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลซึ่งมีทั้งหมดอยู่สามแห่งคือหน้องคันแทรบริเวณตอนใต้ของทิเบตรประเทศจีน 2. บริเวณประเทศลาวกรุงเวียงจันทร์ตอนนี้มีการสร้างพระาธาตุหลวงนครวียงจันทร ปิดทางขึ้นลงไว้เรียบร้อยแล้วและ 3. ที่พรมประกายโลกหรือวังนาคินคำชะโนดอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเจ้าปู่ศรีสุดโธมีพระชายาหลายพระองค์แต่ที่เป็นมเหสีเอกคู่บารมีคือนางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีองคศรีปฐุมมานาคินีวิสุทธิเทวีนี้เป็นนางพญานาคินีผู้ยิ่งใหญ่เคียงคู่องค์นาคาธิบดีศรีสุดโท พระสวามีแห่งวังนาคินพรมปรกายโลกคำชะโนดทรงเป็นนางพญานาคีนีผู้มีน้ำพระทัยเมตตาต่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสร้างทานบารมีต่อสัตว์ผู้ยากไร้หลายอย่างไม่จบไม่สิน้นเป็นเจ้าย่านาคีที่ลูกหลานกราบไหวและรู้จักมากที่สุดมีพระบรรกายสีเขียวตองอ่อนเสียนและป้องพนาพีเป็นสีทององานางพญานาคีนีสีปทุมมาวิสุทธิทเทวีอยู่ในตระกูล เอราปัตะเป็นพระมเหสีขององค์พญานาคาธิบดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาพระองค์เป็นเจ้าย่าที่มีน้ำพระทัยใจดีเป็นเลิศประเสริฐหนักหนาะอีกองค์คือพระนางสีสุจิตจานาคินีวิสุทธิเทวีเมื่อก่อนจะได้ตำแหน่งนี้เป็นนาคมารวิภามมก่อนด้วยเป็นพระธิดาของมเหสีองค์รองคือฝ่ายซ้ายของเจ้าสีสุดโธวิสุทธิเทวา เป็นที่ดาของนางพญานาคินีสีสุดาจันทิพย์แต่แปลกว่าพญานาคินีพระองค์นี้กลับเป็นที่โปรดปรานของทูลกระหม่อมนางพญาสีปฐุมมานาคินีวิสุท ธ, ธิเทวี TV. แต่หากไม่เพียงเท่านั้นองค์สีสุจิตรายังเป็นผู้ช่วยพญาศีสุทธาโพธิ์พระอนุชาเจ้าปู่สีสุทโธทอีกด้วยก็ด้วยเหตุที่ได้ถวายงานเป็นผู้ช่วยองค์ศีสุทธาโพธิ์ซึ่งเก่งมากในด้านอักษรศาสรเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร ในด้านบุญนาคินีองค์นี้จึงมีพระสติปัญญาฉลาดหลักแหลมถวายงานองค์ศีปทุมมาอย่างมิขาดตกบกพร่องเป็นเหตุให้นางพญาศีปทุมมาโปรดมากเอ่ยสาวณีขอองค์ศีสุจิตราจากองค์ศีสุดาจันทิย์มาเป็นนางสนองพระโอษฐ์อย่างใกล้ชิดอีกหนึ่งองค์องที่สพญานาโคบุตระโคดมหรือพญามุจจรินทรราช เป็นพญายนคราชที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามีการกล่าวถึงในพุทธประวัติและกล่าวในพระไตรปิฎกหลังจากพระสัมมาสัพพุทธเจ้าตรัสรู้ทำพิเศษแล้วพระองค์ได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนามีครั้งหนึ่งได้เสด็จออกจากต้มไม้อทุ ป, ปาละนิโครสไปยังต้ไม้จิกชื่อมุจรินทรงนั่งสวยบิมุสติสุขอยู่เจ็ดวันคราเดียวกันนั้นมีฝนตกพรำ ประกอบด้วยลมหนาตลอดเจวันได้มีพญ า, ามุจลิ น, นาคาราเจ้าวิสุทธิเทวาเข้ามาวงด้วยขดเจ็ดรอบพร้อมกับแผ่พังผานปกป้องพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะปกป้องการฝนตกและลมเพื่อไม่ให้ถูกพระวรกายหลังจากฝนหายแล้วจึงคลายขนดออกแปลงเพศเป็นมานพยืนเฝ้าที่เมืองพระพักด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติพระพผู้เจ้าปางหน้าคปกสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ เป็นพระยานาคที่อยู่ในตระกูลเอราปัตทะมีพระบุรากายเป็นสีเทาฮินดูป้องพระนาพีท้องเป็นสีเงินยวงส่วนพระเศียรเป็นสีทองท่านในบริเวณประเทศไทยเราแล้วพระองค์มักจะปรากฏอยู่แถบรุ่มแม่น้ําปิงบริเวณจังหวัดตากลงมาถึงแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดนครสวรรค์องค์ที่ 5. พระยาอนันตนาคราชเป็นพระยานาคประจําองค์พระนาลายหรือพระวิษณุผู้เป็นแทน่นบรรทมขององค์พระนาลาย ที่ครอบครองเกษียนสมุดเป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกูลฉับพยาปุตตะมีพระวรกายเป็นสีขาวปล้องพระนาพีและเสียรเป็นสีทองมีพระมเหสีคือนางพระยาอุษาอนันตนาวดีเป็นพญาขี่นีประจำองค์พระแม่รักษมีซึ่งพระแม่รักษมีนี้เป็นพระมเหสีของพระนารายหรือพระวิษณุเป็นพญานาคีนีที่อยู่ในตระกูลวิรูปักขะที่มีพระวรกายเป็นสีทองทั้งองค์ รวมทั้งป้องพระนาภีท้องและเสียงก็เป็นสีทองพญาอนันตนาคราชเป็นพญานาคราชที่มีความสําคัญมากพระองค์หนึ่งในการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมติเทพและเทพที่ถูกสมมุติก็คือองค์พระนาลายัยหรือพระวิษุนนเองเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ตามลัฐิเทวาราชาจึงแสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระนาลายัยกับพญาอนันตนาคราชอย่างชัดเจน องค์ที่6พญาจันทะคุปนาคราชเจ้าเป็นพญานาคราชประจำองค์พระพิคเนตเป็นพญานาคราชหนุ่มและเป็นเทพวิศวกรรมแห่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาอยู่ในตระกูลฉัพยปุตตมีพระวรากายสีฟ้าพระนาภีและพระเศียรเป็นสีทองผู้ใดบูชาองค์พระพิคเนตอยู่แล้วและถ้าเป็นสายพญานาคก็น่าจะมีทูลระห ม, ม์พระองค์นี้บูชาอยู่ด้วย องพยาจันทคุปตนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาเชื่อกันว่ามรจนาิมิตองค์เป็นเมฆรูปพญานาคอยอยู่บนท้องฟ้าให้เห็นอยู่บ่อยๆมีหลายคนอัญเชิญพญานาคราชองนี้ไปสักการ บ, บูชาและอธิษฐานขอให้ได้ไปต่างประเทศแล้วก็จะสำลิดผลได้ดั่งใจองค์ที่7พญาสนที่นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคที่เป็นใหญ่แห่งเมืองหนองคาย อยู่ในตระกูลกันหาคุต ร, รมะมีผาวรากายสีดำป้องพนาพีและประเสียนเป็นสีทองเป็นพระอนุชาของพญานาโคสิรินาคราชกับแม่ย่าสีเมืองและมีศัตว์เป็นอาของเจ้าปู่สีสุดโทมีพระมเหสีคือพญาภาวนานาคินีวิสุทธิเทวีอยู่ในตระกูลฉับพยาบุตรตะมีพระวรากายสีชมพูป้องพนาพีและประสียนเป็นสีทอง เป็นพคณิษฐาของเจ้าย่าปทุมมาองค์ที่8พญาธนบดีสีสตตนาคบาดาลหรือเจ้าล่าเป็นพญานาคที่อยู่ในตระกูลเอราปทะมีพระบุตรากายสีเขียวปล้องพระนาพีและประเศียรเป็นสีทองทั้งองค์เป็นคนครึ่งพญานาคเพราะท่านมีพระบิดาเป็นมนุษย์ส่วนพระบรรดาของท่านนั้นเป็นพญานาคินีพระราชธิดาของพญาสนที่นาคราชและพญาสีภาวนานาคินี เจ้าล่าสามารถนิมิตอินซีเป็นพญานาคหรือเป็นมนุษย์หนุ่มน้อยได้ง่ายกว่าพญานาคทั่วไปส่วนใหญ่จะมาในกายของมนุษย์หนุ่มนุ่งห่มสีเขียวมรกตหรือถ้าในช่วงเข้าพรรษาก็จะแต่งองค์ทรงภูษาสีขาวปักเลื่อมพันนารายสีมุกเป็นประกายสีเงินยวงเจิดจัมรัดองค์ที่9พญาสิทธานาคาน้อยหรือพญาสิทธานาคาราช มีความเชื่อว่าเป็นพญานาคที่ดูแลปกครองบริเวณเทือกเขาเพชรบุนคือเทือกเขาที่กั้นระหว่างภาคอีสานกับภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนคือบริเวณจังหวัดเพชรบุนน้ำหนาวชัยภูมิขอนแก่นภูเวียงภูเขียวชุมแพสีชมพูภูผาม่านวังสพุงภูกระดึงและเลยเป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกูลเอาราปัณมีพระบรากายเป็นสีเขียว ปล่องพนาพีและประสีนเป็นสีแดงแต่พระโอเป็นสีบานเย็นและมีความเชื่อกันว่าเป็นพญานาคที่เป็นนักเดินทางที่สุดชอบท่องเที่ยวเดินทางสแสวงหาไม่หยุดนิ่งส่วนเป็นพระอรรของผู้ใดนั้นไม่ทราบแน่ชัดองค์ที่10องค์พญาสุวรรณ น, นาครา จ, จาวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกูลวิรู ป, ปกขะพระวรกายสีทอง เสียนน้าป้องพระนาพีเป็นสีทองเป็นพญานคราชที่ดูแลให้ปกครองอาณาจักรลุ่มแม่น้ํายมและแม่น้ําน่านอดีตเคยเป็นสหายกับเจ้าปู่สีสุดโทแต่มีเหตุให้ทั้งสองพระองค์ต้องบาดหมางกันไม่รู้ณเวลานี้คืนดีกันหรือยังเพราะขนาดนำน้ำในแม่น้นําน่านมารวมกันกับน้ําในแม่น้ําำคงเล่ากันว่าเอามาใส่ขวดเทรวมกันขวดยังแตกเลยมีพระมเหสีคือนางพญาแก้วคำกลองนาคินี เป็นพญานาคีนีที่อยู่ในตระกูลสัพพยาปุตตะมีพระวรากายสีม่วงเม็ดประปรางบางครั้งอาจจะเห็นเป็นสีขาวทองในช่วงจำศีลมีพระเศียรและพระป้องนาภีเป็นสีทององค์ที่11พญายาพินฆาตขะคินนาคราชพญายาคินฆาตขะคินนาคราชนี้เป็นพญานาคที่อยู่ในตระกูลกันหาโคตมะมีพระวรากายสีดำนินคือดำสนิททั้งองค์ มักจะปรากฏพระองค์ในเขตปกครองบริเวณแม่น้ําปิงช่วงเหนือของจังหวัด ต, ตากขึ้นไปโดยเฉพาะในช่วงเมืองเชียงใหม่ลงมาไม่เห็สีท่านน่าจะอยู่ในตระกูลฉับพญปุตตะเพราะพระวรากายเป็นสีเงินยวงทั้งองค์กล่าวคือพญานาคราชพญานาคินีคู่ที่อยู่ประจํานครเวียงพิงเชียงใหม่ในแม่น้ําปิงอันแสนงามเป็นพญานาคสีดํากับสีขาวลําองค์ใหญ่มากใหญ่ยังกับที่ครูบาศีวิชัยได้สร้างไว้ที่ทางขึ้นบันได ขึ้นดอยใจดีหรือดอยสุเทพองค์ที่12องค์ชายพังคีเป็นพระรถองค์เดียวของนางพญาบุลลูนาคินีแม่ย่าบุญ ล, ลือพระองค์นี้เป็นต้นห้องของพระเจ้าสีสุดโทมีศักดิ์เทียบเท่ากับพระสนมเอกกล่าวคือองค์สีสุดาจันทิปเป็นพระมเหสีฝ่ายซ้ายพระนางสีปทุมมานาคินีเป็นเอกอัครมเหสีเลื่อนขึ้นจากฝ่ายขวา แม่ย่าบุญ ล, ลือบ้านธาตุเป็นพระสนมเอกที่พระชนมายุมากกว่านางพญานาคีนีทุกพระองค์ในวังนาคินคัมชนโนดก็ว่าได้องค์ที่13บสาองค์พญานาโคสิรินาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคราชที่มีความเชื่อว่าอายุยืนยาวที่สุดในรุ่มแม่น้ำโขงคนเท่าคนแก่มักจะเรียกพญานาคว่าปูนาโคโดยไม่เติมชื่อต่อท้ายซึ่งพญานาคราชพระองค์นี้ มีความเชื่อว่าพระองค์ท่านมีอายุยืนนานเหมือนกับองค์พญาการณ์นคราชผู้รอรับถาดทองหน้ริมฝั่งแม่น้ําเนรันชราที่พระพุทธเจ้าองค์ที่1นึสองสและสคือองค์ปัจจุบันลอยและไปจมลงและจะรอรับพระพุทธเจ้าองค์ที่หพระศรีอานพญานาโคสิริมีพระวรากายเป็นสีเงินยวงทั้งองค์นี่ก็คือประวัติเพิ่มเติมของพญานาคราชทั้ง13กับพญานาคินีนะครับ เดี๋ยวมีข้อมูลอะไรเพิ่มอีกผมจะหามาเล่าให้ฟังอีกครับสวัสดีครับ